ที่สามเราก็ได้มีโอกาสมาพักที่วัดป่าภูคีอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาธรรมยาตราธรรมยาตราเคยมาแวะพักที่นี่เมื่อปีห้าเจ็าจำได้ว่าเป็นวันหทธันวาเป็นวันของพ่อหลวงนี่เเกือบครบสามปีพอดีพวกเราที่มา เดินตั้งแต่วันแรกก็คงจะเห็นด้วยกับสมาว่าค่าคืนที่เรามีที่พักที่สะดวกสบายมากเมื่อเทียบกับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเดยเพราะเมื่อวานความสะกสบายเช่นน้ำก็ดีไฟก็ดีลงทั้งห้องน้ำห้องท่าอาถารยังมีโอกาสพัก ตั้งแต่บ่ายสองนะอันนี้ก็นัว่าเป็นความกรุณาของท่านเจ้าวาดมากโดูทั้งชาวบ้านด้วยแต่ว่าจากพรุ่งนี้ไปนะเราคงจะไม่ค่อยได้เจ อ, อความสะดวสบายแบบนี้อีกแม้แต่เมื่อวานเส้นทางที่เราเดินนะในตอนเช้าเราก็ได้พักเที่ยงนะลิมลำธาร และน้ำตกในร่มเงาของต้นไม้เราก็คงจะไม่ได้เจอกันแล้วนะในการเดินธรรมยาตราครั้งนี้แต่ว่ามีของดีรอเราอยู่นะเย็นวันที่เจนะ็ดที่พารสีวิไล น, นั้นคือจะเลือกใครแ็กก็จะของธรรมยาตราปีนี้ ซึ่งถ้าใครอยู่จนถึงวันนั้นในสภาพที่ครบ32เนี่ยนะก็คงจะมีความสุขนะก็ชื่นชมกับทัศนียภาพแต่ว่าก่อนถึงวันนั้นเนี่ยนะก็จะต้องเจอหลายๆอย่างซึ่งหลายคนจะไม่คุ้นนั่นคือความยากลำบาก เส้นทางที่ยาวไกลติดอันดับทนะ็อปฟของธรรมยาตราในรอบ18ปีอนแานเป็นาทางลัดยางเกิดตลอดเส้นทางไม่ใช่ทางที่ลัดเลาะไปตามเชิงเขาที่อาจจะมีร่มเงาต้นไม้นะหรือว่าทัศนียภาพให้เราได้ ชื่นชมในเวลาพักบ้างน้ำเอ่ยไฟเอ่ยก็คงจะไม่สะดุกสบายอย่างคืนนี้ห้องน้ำห้องท่าแม้จะไม่ถึงขั้นอย่างเมื่อวานนะแต่ก็ห่างไกลจากมาตรฐานค่ำคืนนี้มากใครที่คุ้นเคยกับความสะดกสบายนะเวลาไปที่ไหนก็จะ นะเลือกที่จะพักโรงแรม3ดาวบาง4ี่ดาวบางห้าดาวบางไม่ว่าเมืองไทยหรือเมือง น, นอกที่จะเจอจากนี้ไปนะก็ต้องทำใจนะจากใครที่คุ้นเคยนะกับการนอนกลางหียงกินกนลางทรายพักตามป่าหรือว่าเที่ยวแบบแบ็คแพ็คอันนี้ก็ ก็คงจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าหลายคนเเป็นผู้ใหม่นะสำหรับการตรับประสบการณ์ที่ต้องเจนระหว่างเดินธรรมยัติตลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักเรื่องของห้องน้ำอาหารรวมทั้งบริการที่ อาจจะไม่ถูกใจรถอาจจะมาช้าหรือว่าต้องนั่งนะในกระบะหลังนะไม่เหมือนกับทีนะ่เราเคยใช้บริการนะของ Uber, อูเบอร์ะไร น, นนล น, น, นะวางประสบการณ์เหล่านั้นลงนะใครที่เพิ่งมาหรือมาได้สองสาก็ตามให้วาง ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เราคุ้นเคยพักโรงแรมสามดาวสี่ดาวนะนั่งรถไฟนะที่ตรงเวลาหรือว่ามีห้องน้าห้องท่าที่สะดวกสบายต้องวางนะประสบการณ์นั้นลงแล้วก็มาด้วยใจที่เปิดกว้างสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจจริงๆนะแม้จะ แลนะสิ่งที่เราเจออาจจะไม่สะดสบายหรืออาจจะเข้าขั้นความยากลบาบากเนะื่อเพราะการเดินกลางแดดแต่สิ่งหนึ่งนะที่จะช่วยเราได้นะเป็นคาถานะของธรรมญา ต, ตราข้อหนึ่งก็คือให้เรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรายอมรับทุกอย่างที่เราเจเจอ ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนอากาศหนาวทางที่ยาวไกลอาหารที่ไม่ถูกใจนะห้องน้ำที่ต้องเข้าชิวนานแล้วก็บริการของจิตอาสาทั้งหลายนะซึ่งมาด้วยน้ำใจล้นๆนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถนะพาเรานะจากสถานีขนส่งหรือจุดนัดพบมา ที่พักแรมธรรมญาตาหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องสวัสดิการน้ำท่าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นจิตอาสาทั้งสินนะ้นกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เตรียม ง, งานเตรียมการกันนะเป็นแรมเดือนถ้าเราเนี่ยนะทำใจยอมรับทุกอย่างที่เป็นของธรรมญาตาได้เราจะอยู่แล้วก็เดินอย่างมีความสุข หรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกจะไม่หงุดหงิดจะไม่รำคาญเพราะว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะทุกใจเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากว่าเราเจออะไรแต่มีที่ว่าเราวางใจอย่างไรกินนะได้อาหารที่อร่อยพ่อครัวทำอย่างประณีตแต่ถ้าเราคาดหวังมีความคาดหวังสูงนะ เราก็ไม่มีความสุขกับการกินอาหารจานนั้นหรือมือ น, นั้นอาจจะเพราะว่ามันเป็นอาหารในพัตคารหรือว่าต้องจ่ายเนี่ยเป็นเงินเป็นร้อ ย, นยในทาตัวข้ามอาหารอย่างเดียวกันจานเดียวกันถ้าเราไปกินริมถนนนะก็อาจจะซื้อว่านอร่อยก็ได้เพราะเราวางความคาดหวังไว้ต่า โดยจะเป็นเพราะว่าราคามันไม่แพงพออาหารมันราคาแค่สามสิบบาทเนี่ยความคาดหวังเราก็ต่ำํำพอเรากินมันก็อร่อยแต่ถ้าจารเดียวกันไปกินนะในร้านหรูพัตคารโรงแรมอาจจะรู้สึกไม่อร่อยหรือไม่พอใจก็ได้เพราะเราคาดหวังมันไม่สูงเนื่องจากต้องจ่ายเงินเยอะ ได้สิบบาทอาจจะดีใจถ้ า, าว่าเราคาดหวังแค่สามบาทแต่ได้สิบล้านอาจจะทุกข์ถ้ า, าว่าเราคาดหวังยี่สิบล้านนะอย่างที่เล่าไปเมื่อสองสามวันก่อนมีที่ใจเราแท้แท้เลยตนะ้องถ้าเราวางใจของเราไว้ถูกต้องเช่นอาจจะคาดหวังต่ำหรือว่าไม่คาดหวังเลย ยอมรับทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นโดยไม่บ่นไม่โวยวายไม่ติโพ<ฮ>ติภายอาจจะถือว่าเป็นเครื่องฝึกนะเครื่องฝึกใจของเราเราก็จะอยู่ละเดินนะทมยาตาได้อย่างปกติหรือว่ามีความสุขได้ซ้ำนะอันนี้เป็นคาถาหนึ่งเลยนะยอมรับนะทุกอย่างที่เราเจอเจอ นะตลอดสามหรือสี่วันข้างหน้าจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแล้วยิ่งท้าเอาคาถานี้ไปใช้นะกับชีวิตของเราในวันข้างหน้าไม่ว่าที่บ้านที่ทํางานนะความทุกข์ใจเราจะลดน้อยลงความหงุดหงิดขุณเครื่องจะลดน้อยลงและพวกเราคงรู้จักอาจารย์ประมวลเพีงจันนะอาจารย์ประมวลเนี่ยนะนะเคยนะเคยเป็นอาจารย์ ที่มาในเชียงใหม่แล้วต่หลังก็กเกษียณนะ early retire, นะก็เออร์รี่วิทายเกษียณก่อนนะลาออกก่อนใบเกษียณแล้วก็ตัดสินใจเดินนะจากเชียงใหม่ลงมาถึงบ้านเกิดเกาะสมุรรยระยะทางก็พันกว่ากิโลใช้เวลาเกือบสองเดือนโดยไม่มีเงินติดตัวแล้วก็ตั้ง เงินใครหรือปฏิฐานว่าจะไม่ขอข้าวใครไม่ขอน้ำใครแม้จะหิวแค่ไหนแล้วก็จะไม่แวะไปพักบ้านเพื่อทุกคนรู้จักเป็นนั้นค่าลองนึก ด, ดูนะคนที่ม่มีเงินติดตัวแล้วก็จะไม่ขอเงินไม่ขอข้าวขอน้ำใครจะต้องเจออะไรบ้างแต่ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งได้ประสบการณ์ดีๆที่ทําให้เกิดความซาบซึ้งประทับใจ แล้วกลายเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านกลายคนที่นะจิตใจอ่อนโยนในที่จริงท่านก็อ่อนโยนอยู่แล้วนะแต่ว่าการเดินครั้งนั้นนี่มันทำให้ท่านเนี่ยมีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อผู้คนมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตถ้าเราว่าเนี่ยหลังจากเดินครั้งนั้นแล้วเนี่ย สอสามปีหลังจากนั้นก็ได้กลับไปที่ประเทศอินเดียท่านมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับอินเดียนะก็เคยไปเรียนปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกที่นั่นโดยบวชพระเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนะจากคนอินเดียหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือาสาบสงนะไม่ขอไม่ขอ หรือไม่ปาถนาจะกลับไปอินเดียอีกแต่ว่าเมื่อท่านกลับไปอินเดียนะสองสามปีหลังจากเดินไปที่กลับไปบ้านเกิดสิ่งนี้ที่ท่านตั้งปฏิธานไว้คือท่านจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียท่านจะถือว่าทุกอย่างที่ท่านเจอเจอเป็นสิ่งที่เทวดานะประทานมาให้ แล้วก็ท่านได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งทั้งถูกโกงทั้งถูกเอาเปรียบแต่ว่าท่านไปอินเดียครั้งนั้นเนี่ยอย่างมีความสุขมากเป็นมิตรยิ้มแย้มกับทุกคนมีคราวหนึ่งนะท่านนั่งนั่งรถนั่งรถอสัมรอดแล้วมั้งสัมรอถีบท่นถามว่าเท่าไหร่เขาบอกสิบห้าคลิปทีน พอถึงที่หมายนะเขาบอก 50, นะ 50. จาก15เป็น50นะนั่นก็ไม่ต่อสักคาเลยนะท่านก็ให้เลยนะ50พอท่านบอกว่าเนี่ยยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียยอมรับทุกอย่างที่เจอเจอนะไม่ต่อเลยนะตอนที่เขาบอกราคาั้งแรกคือ15รู ป, ปีไม่ต่อเลย แต่ถึงเวลาถึงที่หมายดันบอกห้าสิบนะก็ให้เขาบอกว่าแขกมันนันไม่รู้ไงแพ้ใจแพ้ใจท่านนะท่านควั้เงินให้แบงก์ยี่สิบสองใบแล้วก็แบง์สิบอีกใบหนึ่งปรากฏเขาคืนเลยนะเขาบอกเข้าใจผิดนะสิบหนะ้าไม่ใช่ห้าสิบมีบางคราวนะท่านเดินท่านนั่งรถไฟชั้นสองนะ ปรากฏว่ามันมีผู้หญิงอยากจนนะกับเด็กขึ้นรถคงจะขึ้นแบบมั่วนะชั้นสองมัดโกไม่มีเงินอยู่้วต้องก็ให้นั่งนะเพราะไม่มีที่ว่างพบากว่าแขกคนอื่นผู้แสดงไม่พอใจเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นวันนักจันทานวันนักจันทานนี่เขา ถือว่าเป็นมาราชั้นต่าเนี่ยต้องลงไปนั่งข้างล่างแล้วก็ไล่อาจารย์ประมวลลงไปนั่งข้างล่างด้ยนะข้างล่างคือบคือนั่งกับพื้นนะท่านมีตัวนะชั้นสองนะแต่ว่าถูกคนผู้โดยสารคนหนึงไล่ให้ไปนั่งอยู่กับพื้นเพราะว่าไปแตะเนื้อต้องตัวหรืออะไรสักอย่างนะหรือไปไปนั่งในที่เดียวกันนั่งในนั่งในเก้าอี้เดียวกันนั่งบนเก้าอี้เดียวกันกับ คนจันทานนะก็ถือว่าติดเชื้อนะไม่บริสุทธิ์ต้องลงไปนั่งข้างล่างนั่งกับพื้นนาส้วมท่านก็ไปนะไม่เดือดไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะตั้งใจไว้แล้วว่ายอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียแต่ข้างนั้นนี่ท่านมีความสุขมากนะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากตอนที่ไปอินเดียครั้งแรกนะอย่างที่บอกนะไปข้างนั้นเนี่ย หลายปีแล้วก็มีความทุกข์มากสาบส่งเลยแต่ไป็ขั้งที่สองเนี่ยเปลี่ยนใจใหม่นะวางใจสมัยคือคือยอมรับทุกอย่างที่เจอเจอคือว่าไปเป็นการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมก็กลับมีความสุขแล้พวกเราเนี่ยเดินธรรมญาติตาเนี่ยที่จริงความลาบากก็ยากน้อยกว่าที่อาจารย์ประมวลเจอทั้ง ตอนที่ลงไปเกาะสมุยนะหรือว่าไปอินเดียแต่เราลองทำใจแบบนี้บ้างซึมันก็ว่าเราเป็นนักสแสวงบุญนะเราเป็นนักสแสวงบุญเนี่ยนะเราพร้อมรับทุกอย่างที่เจอเจอนะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ได้รับนะหรือการปฏิบัติจากเพื่อนร่วมคณะยอมรับ ก็คือไม่ปลีกปากไม่บนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายแดดจะร้อนก็ไม่บนอากาศหนาวก็ไม่บนยอมรับแล้วเชื่อเลยนะว่าเราจะมีความรู้สึกดีนะมีความสุขกับธรรมญาตามากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราลองนึกเสว่าเนี่ยมันมาฝึกให้เราเข้มแข็งใ้ความยากลาบากเนี่ยสมัยนี้เรามักจะมอกว่าเป็นของ เลวร้วายที่คลัวหลีกเลี่ยงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความเข้มแข็งแม้ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งนะก็คือภูมิคุ้มกันความยากลาบากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันความทุกข์โดยเพราะความทุกข์ใจเราจําเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันชนิดนี้นะกับจิตใจของเราในจิตใจของเรา ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเป็นภูมิคุ้มกันเชื้อภูมิคุ้มกันโรคแต่แม้การนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมหรือเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอยู่เสมอวิธีการเติมหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็คือการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันก็คืออะไรก็คือเชื้อโรคนะ หรือบางทีเราก็กินอาหารที่มันมีเชื้อเข้าไปทั้งโดยจงใจและโดยไม่ตั้งใจโดยจงใจก็เช่นอาหารเช่นโยเกิร์ตในพวกนี้หรืออาหารหมักดองโดยไม่ตั้งใจก็อาจจะเป็นอาหารที่มันมีเชื้อที่มันมันไม่สะอาดไอ้พวกนี้เนี่ยเชื้อที่มันเข้าไปในร่างกายของเราไม่ว่าจะในรูปของวัคซีนหรืออาหารเนี่ยมันมีประโยชน์นะ มันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเมื่อเราฉีดเชื้อที่อ่อนๆหรือเชื้อที่มันตายแล้วมันก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายทําให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นนะซึ่งถ้าโรคนั้นเนี่ยมันไม่ไกลายพันุ์นะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตเลย เช่นอหิวาหรือว่าพวกไข้ทรพิษแต่ว่าโรคบางอย่างที่มันมีการกลายพันธุ์บ่อยๆทุกปีอย่างเช่นวัด น, นก็ต้องฉีดทุกปีเติมเชื้อโรคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้นฉันใดนะไอการที่เราเจอความยากลาบากเนี่ยเราก็ถามเรามีภูมิคุ้มกันนะต่อความยากลาบาก เครื่องทำให้เราอยู่ในโลกนี้หรือมีชีวิตอย่างสะดกสบายมีความสุขมากขึ้นชีวิตที่สดวกสบายนี่เป็นชีวิตที่เสี่ยงนะมันไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงเท่าไหร่เป็นชีวิตที่เสี่ยงเพราะว่าพอเจอความไม่สะดวกสบายก็จะทุกได้ง่ายชีวิตที่ไม่เจอความผิดหวังเลยเป็นชีวิตที่เสี่ยงพราพอเจอความผิดหวังแม้ จ, จะเล็กน้อยนะแต่ว่าอาจจะเสียสูญไปเลยก็ได้ เด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นที่ประสบความสมหวังทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการเรียนนะหรือว่าการได้รับสิ่งปลนเปลยจากพ่อแม่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างพอผิดบังบางเรื่องที่ผิดต่อในความรักนะบางทีถึงกับเสียสูเลยนะบางทีถึงกับคุ้มคลั่งเลยถ้าไม่ค่าตัวตายก็ไปฆ่าคนอื่นตายจนไปฆ่าคนที่ ขัดขวางความรักของตัวไปฆ่าผู้หญิงนะที่ปฏิเสธรักหรือฆ่าพ่อแม่ของผู้หญิงนะที่ที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงมาคบกับตัวอันนี้มันเคยเป็นข่าวมาแล้วนะคนที่ทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นคนที่นิสัยเร็วโดยสันดาลแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเจอความผิดหวังชีวิตนี่ประสบความสาเร็จหรือสมหวังตลอดแต่พอผิดหวังนะ เรื่องความร่างี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะจนหมดเนื้อหมดตัวลืมตัวนะคุ้มครั่งฉันคนเราเนี่ยถ้าเจอความผิดหวังบ้างหรือเจอบ่อยๆนะมันทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันความผิดหวังนะเราจะหัวเราะนะเมื่อเจอความไม่สมหวังได้ง่ายขึ้นแถมยังจะใช้หรือหาประโยชน์จากมันได้ความ้ากลบากก็เหมือนกันนะ เราเจอมันบ้างหรือเจอบ่อยๆเราก็จะมีถุงคุ้มกันตัวทั่งต่อไปเนี่ยนอนการเด็กกินกลางสายก็มีความสุขได้นะเด็กรุ่นรุ่นหลายคนนะรุ่นก่อนๆเนี่ยพอกลับไปที่บ้านนี่กลายเป็นเด็กที่อยู่ง่ายกินง่ายมากขึ้ น, นพอเจอความยากลาบากมาแล้วก็เลยรู้ว่าที่บ้านเนี่ยคือสวรรค์แท้ๆเลย แต่ก่อนบนอวารที่บ้านแม่อร่อยนะไม่ไม่ติดแอรเตียงเบาะไม่นุ่มนะแต่พอมาทรพรยาตาแค่เจ็ดวันนะทัศนคติต่อชีวิตและสิ่งแวลัอมที่บ้านเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันนะนะในระดับหนึ่งเราคนเราต้องมีนะภูมิคุ้มกันความจะลำบากเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ชีวิตเราเนี่ยมันต้องไปเจออะไรบ้างนะที่มันเป็นความยากลำบากรวมทั้งความไม่สมหวังเมื่อสักห้าปีก่อนเนี่ยมันรายการคนคนๆนะก็ เ, เคยไปทำสารคดีเกี่ยวกับผู้เท่าคนหนึ่งนะชื่อย่ายิมนะ ย, ย่ายิมเนี่ยเป็นคนน่าสนใจอายุแปดสิบปีนะแล้วขึ้นไปทำไร่ทำสวนปลูกผักอยู่บนเขา อวันพระเนี่ยนะแกก็จะเดินลงมาจากเขาแต่เช้ามืดเลยแล้วก็เดินจากลงจากเขาก็เดินมาถึงวัดระยะทางก็เจ็ดแปดกิโลอายุแปดสิบนะแกก็มาจำศีลที่วัดแล้วก็พอรุ่งขึ้นนะแกก็พอจากศีลแกก็เดินนะกลับขึ้นไปบนเขา ถ้าโชคดีก็จะมีขนเนี่ยขับรถนะขับรถก็จะเป็นรถกระบะรถอีแต่งขนข้าวขนพริกขึ้นไปแต่บางคราวเนี่ยนะถ้าฝนตกเนี่ยนะ <c oughs> มันก็ลำบากนะรถก็ขนไม่ไหวเพราะว่าทางมันชันแกก็เดินขึ้นไปเองส่วนของที่ก็ค่อยขนไปวั น, วนหลังแกก็ทํานี้เป็นกิจวัตรนะ แล้วก็ไม่บน่นไม่ไวยวายเลมีความสุขก็พิธีกรนะรายการคนเพิ่มเก็ถามยายยิ้ว่าเนี่ยเดินลงมาจากเขาเนี่ยแปดกิโลเนี่ยนะไม่เหนื่อยเลอไม่ลำบากเลยอายยิ้มแล้วก็บอกว่าก็มันเคยแล้วหนาพอถามว่าเนี่ยถ้าเกิดฝนตกนะไม่มีขนขนของขึ้นมาไม่ได้ข้าวเอยอะไรเอ้ยขนมาขึ้นมาไม่ได้นะ ต้องกินมันต้องกินมันกับปล่อยเนี่ยอย่างนี้ไม่ลําบากเอยแกก็ตอบว่าก็เป็นเคยแล้วหนาพิธีกรถามว่าอยู่บนเนี่ยนะเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาทํำยังไงไกล่มอไกลหมอแกก็ตอบเหมือนเดิมก็มันเคยแล้วหนาคือไม่ว่าจะถามอะไรนะไม่ว่าเจออะไรมาเนี่ยแกไม่ทุกข์เลยเพราะว่าเคยมาแล้วเคยมาแล้ว นั่นชีวิตที่ดูมันลําบากนะสำหรับเราเนี่ยแต่สำรบญาตยิ้มเนี่ยเป็นชีวิตที่สบายอันนี้ต้องเรียกว่าชีวิตมีภูมิคุ้มกันนะความทุกข์ยากนะพวกเราก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองความทุกข์ยากความลําบากเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันก็ทําให้เราเนี่ยยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะ แต่ถ้าเราไม่เห็คุณค่าของมันเราก็จะบน่นเราก็จะปฏิเสธเราก็จะผักใสแล้วพอเราผักใส่ใจเราก็ทุกข์มันไม่ใช่แค่ทุกข์กา ย, ยาเดียวมันทุกข์ใจด้วย อ, อาจจะทุกข์กายเพราะร้อนอจจทุกข์กายเพราะหนาวอาจจทุกข์กายเพราะทางไกลแต่ทันทีที่เราปฏิเสธผักใส่บ่นโมยวายตีโพตีพายเนี่ยทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีทุกข์ใจนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอากาศหนาวแดดร้อนน หรือทางไกลอาหารไม่ถูกปากแต่มันเป็นเพราะใจที่มันผักใสไม่ยอมรับใจที่บนโอดครวนนะตีโพตีพายลองปิดซีวิตตงนี้ตรงสกนะก็คือยอมรับความทุกข์ใจมันจะหายไปเยอะเลยได้ทำให้เราไ ม, ไม่ติดความสบายนะคนเราถ้าติดสบายนี่นะมันจะหาความสุขได้ยากนะเพราะว่าความสบาย ของเราเนี่ยนะ้ระดับความต้องการความสบายของเรามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนเนี่ยนอนโรงแรมสามดาวก็มีความสุขแล้วแต่พอนอนไปนอนไปเฮ้ยต้องสี่ดาวแล้วะพอนอนสี่ดาวบ่อยๆมันไม่ได้ต้องห้าดาวนะความระดับความสุขของคนเรามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆพอมาเริ่มชินชาสมัยก่อนวิทยุเนี่มันมีเอฟเอม FM กับเอม นะฟังเอไม่ค่อยเพาะหรอกฟัง f อนี่เพาะดีแต่ฟังไปฟังไปนะมันเริ่มไม่เพาะแล้วต้องฟังเอ3 m พ3สามเอพีสามนี่เสียงมันจะใสามากเลยนะใครที่ฟัง f อนะพอมาเจอเอ3พสามชอบกลับไปฟัง FM เอไม่ได้ลนะพูด f อ AM อนี่รู้จักบ้างวานเนี่ยพอฟังเอ3พสามไปนานๆนยมันมะีมันมีมนม มันมีระบบใหม่ขึ้นมาอีกนะไม่รู้ระบบอะไรแล้วเนี่ยตอนหลังฟังเอ3มพีสามไม่ได้นะต้องเอ็มพีสี่นะก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าไม่พอใจแล้วก็ไม่มีความสุขสักทีแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้กันความทุกข์นะภูมิคุกันความยากลำบากจะกลับมาจะฟังอะไรมันก็พาะัอองนั้นแหละเชรนการติดสบายนี่มันทำให้ เราหาความสุขได้ยากอีกอันหนึ่งที่ต้องที่อยากจะฝากไว้ก็คื อ, อมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะหวังสบายแต่ว่าปรารถนาความสงบได้ยินได้ทราบว่าธรรมยาตราเนี่ยริเริ่มโดยหลวงพ่อคำเขียนนะซึ่งเป็นอาจารย์กรรมฐาน แล้วก็ชื่อก็ฟังดูก็เป็นเรื่องธรรมะก็คือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะเวลาฝืนการปฏิบัติธรรมก็กนึกว่าจะได้พวกกับความสงบเคยมีวิชาคนหนึ่งนะเคยนะเมื่อส1บปีก่อนเนี่ยแกก็เราก็เดินไปแล้วสองสาวันแล้วแกก็มาถึงตอนกลนตอนเย็นๆค่ำๆไปคำนั้นเนี่ยนะ มันมีรายการสันทนาการปีนั้นเนี่ยเราให้แต่ละคนเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆสมัยก่อนเนี่ยธรรมญาตาคนเดินไม่เยอะนะ 60-70 คนก็มีกลุ่มสัก 8-8 กลุ่มก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาแสดงละครที่มันมีสาระหน่อย แต่ก็ต้องมีอารมณ์ขันด้วยนะหรือมีความสนุกอคืนนั้นเนี่ยนะกลุ่มที่มาแสดงละคอนี่อารมณ์ขันเรือเฟื่อเลยนะคนก็เ hey, ฮฮากันใหญ่เลยนะะสนุกสนานกันมากให้เราก็เ hey, ฮฮาไปเราก็สนุกไปเขาด้วยนะพอรุ่งขึ้นนะเขามาลา <c oughs> เขามาลาผิดหวังมากเลยหรือว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าจะ พบกับความสงบมีแต่เสี ย, เยเงยเฮฮาเนะเขากลับไปด้วยความไม่พอใจเขาอยากได้ความสงบนะแต่ไม่พบความสงบที่ธรรมยาตราที่จริงก็ไม่เชิงนะคือเขาก่อนที่เาจะก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยก็มีการเดินด้วยนะเดินเดินไปสักวันหนึ่งนะแล้วเขาก็มามาขอลากเขากลับกลางคืนก็เจอเสียเงยเฮฮา กลางวันก็เจออากาศร้อนเวลาเดินก็มีเสียงตีกรองนะบางทีคนข้างหน้าก็คุยข้างหลังก็คุยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยจัดระเบียบกันเข้มงวดเท่าไหร่นะก็บางทีก็มีการคุยกันในแถวก็ผิดหวังมากเพราะนึกว่าคนจะเดินได้ความสงบสํารวมแต่ว่าเช้ากลางคืนก็หม่สํารวมเฮ ห, หากันนะกลางวันก็ ไม่สำมรวมคุยกันผิดหวังเลยกลับอันนี้ก็น่าเสียดายนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความสงบเนี่ยมันไม่ไอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะมันอยู่ที่การวางใจของเราเราตะมานึกถึงอาจารย์คนหนึ่งนะก็คุ้นเคยกับท่านพอสมควรท่านเคยเล่า ว, ว่าเมื่อประมาณสี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเคยไปเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกา ถ้าไปทำปริญญาอกเอกกี่วเรื่องคณิตศาสตร์วันหนึ่งทางมาทรายก็ขอเชิญขอทาบทามนะขอร้องดีกว่านะให้มาช่วยเป็นอุปัาภิษฐ์พระธิเบตท่านหนึ่งซึ่งมางมาทรายเนี่ยเชิญมาตัส้สียสิบกว่ปีก่อนเนี่ยฝรั่งอเมริกันยุโรปเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักพระธิเบตนะสมัยนั้นทารแล้วมา ก, ก็ยังไม่มีชื่อเสียง หนังสือเกี่ยวกับธรรมะแบบที่เบตนี่ก็หาน้อยมากไม่เหมือนสมัยนีต้ตามร้านต่างๆในอเมริกาแม้กระทั่งร้านหนังสือในสนามบินก็จะมีห น, นังสือเกี่ยวกับธรรมะของพระดิเบตไม่ใช่เฉพาะไายรามาองค์เดียวเท่านั้นขององค์อื่นด้วยแต่สีสกปีก่อนนี่มันมีของใหม่จาบเขามากแต่ก็นิมนต์พระทิเบมานะมาแสดงธรรม เขาก็ไม่รู้จะหาใครเป็นอุปทาฐเพราะฝรั่งไม่รู้จักธรรมเนียมนะของทิเบตรหรือของพุทธเขาก็มาเชิญมาขอร้องเนะี่ยอาจารย์คนเนี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยให้มาช่วยเป็นอุปัาิษฐนักศึกษาก็ยินดีนะแล้วก็ดูแลพระทิเบตตลอดสามวันการที่ได้ใกล้ชิดกับพระทิเบตก็เกิดประทับใจเนะพเห็นท่านเนี่ยเป็นคนที่สงบนะแต่ว่ามีอารมณ์ขัน มีความเป็นมิตรมีเมตตามากอันนี้อาจารย์ทิเบตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแหละคือท่านไม่ค่อยเคร่งเครียด เ, เ, เท่าไหร่แต่อยู่ ใ, ใกล้ๆก็รู้ว่าท่านมีความสงบมีเมตตาเกิดประทับใจขึ้นมาวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่พระทิเบตเนี่ยซึ่งก็คงเป็นเดินโปเช่นะท่านจะกลับประเทศอินเดียลักษาวัน น, นี้ก็ ได้ทราบว่าวัดของท่านเนี่ยที่อินเดียเนี่ยก็คงจะแถวธรรมศ า, าลรานี่นะอยู่ในเป็นพื้นที่ที่สงบมากนะอันนึกภาพเนี่ยเขาที่มีหิมะปกคลุมนะแล้วก็มีทุ่งหญ้านะแล้วก็มีอารามเล็กๆซึ่งกายจากผู้คนนักสารไดบอกว่าเนี่ยเมื่อเขาเรียนจบปริญญาเอกแล้วเนี่ย อยากจะขอไปเยี่ยมวัดท่านบ้างท่านจารุญาตไหมท่านก็ตอบว่าได้สิมาได้ทุกเวลาแต่อัตมาขอถามหน่อยนะว่าจะไปวัดตมาทําไมนักศึกษาวกตอบว่าเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยนะมันหาความสงบได้ยากอยากจะไปวัดของของท่านลามะดินโปเชนะจะได้พืความสงบ ธรรมะท่านลิปโเชียนตอบเลยนะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่พบความสงบที่กรุงเทพหรือเมืองไทยนะไปวัดเทาสมากรวมไปพบเหมือนกันคำพูดที่ทำให้นักศึกษาได้คิดเลยนะแล้วพอเรียนจบปริญญาเอกนะทำเวียนที่ผลเสร็จก็กลับมาเมืองไทยก็ก็ปักหลักอยู่ที่กรุงเทพจนเกือบกเกษียณยังไม่ได้ไปวัด ของท่านอินโพเชอีกเลยนะก็คงจะพบว่ า, าจริงๆแล้วความสงบมันจริงมันไม่อยู่ที่สถานที่นะมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่การวางใจงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมถูกนะแม้ว่าจะเดินอยู่กลางแดดแม้ทางจะไกลนะแต่ใจก็สงบได้ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนนะ แล้วใจจะต้องร้อนไปด้วยไม่ใช่ว่าเสียงรอบข้างถ้ามันดังใจเราก็จะกลายเป็นว้าวุ่นฟุ้งซ่านไปด้วยนะมันไม่เกี่ยวกันหรือว่ามันไม่เป็นต้องผูกติดกันก็ไดนะ้ที่เราให้มาเดินธรรมญาตราเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพื่อมาฝึกใจว่าเนี่ยเราจะสามารถรักษาใจของเราให้สงบได้ไหมแม้จะ เดินท่ามกลางแดดที่ร้อนนะแล้วก็ทั่งเดินนะฮะว่าคนรอบตัวนะจะส่งเสียงดังถ้าระวังใจเป็นนะแดดร้อนนะใจมันก็ไม่ทุกข์ถ้าระาวาังใจเป็นนะคนรอบข้างก็จะคุ ย, ยกั น, นแต่ใจเรา ก, ก็สงบมันอยู่ที่ว่าเราเรารู้สึกอย่างไรนะต่อสิ่งที่กระทบต่อสิ่งที่ได้เจอ มันอยู่ที่ว่าเรามีสติแค่ไหนนะเวลาใจกับเพื่อมนะเมื่อเจอสิ่งที่มากระทบที่ไม่ถูกใจแต่ร้อนอากาศหนาวนะฝุ่นฟุ้งหรือเสียงดังไม่ใช่ว่าคนเราต้องสงบได้ต่อเมื่อรอบตัวเราสงบไม่ใช่ว่าเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในป่าหลายคนอยู่ในป่า แต่ใจจะไม่สงบก็ได้นะเมื่อวานนี้นะหลายคนก็ได้ไป อ, อยู่กับตัวเองนะทําสมาธิภาวนานในป่าป่าไัยไม่เค่อยมีเสียงพูดคุยกันเท่าไหร่นะเพราะเราตกลงกันว่าเราจะอยู่ในความเงียบแต่หลายคนอาจจะพบว่ามีเสียงเสียงดังอยู่ในหัวก็ได้เสียงรอบตัวสงบสงบนะแต่จใจเนี่ยไม่สงบไปด้วย แม้คนรอบตัวนี้เขาจะนั่งนิ่งๆอย่างเมื่อวานนะแต่ว่าใจของเราอาจจะไม่นิ่งก็ได้ไอ้ทาตรงข้ามแม้รอบรอบตัวจะส่งเสียงดังแดดจะร้อนแต่ใจเราเย็นจดเป็นปกติแม้รอบตัวผู้คนจะส่งเสียงดังนะแต่ว่าในหัวเราเนี่ยนะมันไม่มีเสียงรบกวนในจิตใจไม่มีอารมณ์มาบีบคั้น ให้ความความไม่สงบที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เกิดจากเสียงที่ดังแต่มันเกิดจากมันไม่เกิดจากเสียงที่ดังอยู่รอบตัวเราเนี่ยแต่มันเกิดจากเสียงที่ดังอยู่ในหัวแล้วเกิดจากอารมณ์ที่มันครอบงาจิตให้ตรงนี้เป็นความรบับผิดชอบของเราถ้าเราเจริญสตินะหรือว่ารู้จักทาสมาธินะให้เสียงที่จะดังในหัวเนี่ยมันก็รบกวน เราไม่ได้นานเพราะว่าไอ้ที่มันมีเสียงรบกวนนะก็เพราะว่าไม่มีสตินะลืมตัวใจมันก็ไหลไปอดีตบ้างลอยไปนาคตบ้างหรือไปคอยหวนวิตกกังวลกับเรื่องที่มาไม่ถึงใจมันฟุ้งปรุงไปเรื่อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันแต่พอเรา ม, มีสตินะ รู้ทันอารมณ์ที่ครอบงำจิตรู้ทันความคิดนะที่มันส่งเสียงออกมาในหัวแค่นี้นะมันก็จะวางใจก็สงบความคิดก็เดินหายไปนั้นเดินคนจะคนรอบข้างก็จะพูดจะคุยยังไงนะแต่จะร้อนอยังไงแต่ใจก็สงบได้ อันนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้เรามาเรียนรู้นะว่าเราจะทำให้ใจสงบแม้เจอสิ่งอะไรต่ออะไรมากมายนะที่มันอาจจะบิดคั้นหรือว่าคอยกระตุ้นเราให้ใจกระเพื่อมก็ตามมันกระตุ้นให้ใจกระเพื่อมแต่ใจเราไม่กระเพื่อมก็ได้นะอันนี้เราทำได้นะถ้าเรามีสติ ซึ่งก็จะว่าเป็นภูมิคุ้มการจิตใจชนิดหนึ่งนะที่ช่วยทำให้ใจเราไม่เป็นธาตุนะของสิ่งเราภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจก็มาฝึกกันนะอาแล้วก็พูดกันมาพอสมควรแล้วน ะ, ะคำนี้ก็ยุติเท่านี้กลับมาพร้อมกัน